ตอนที่แปอดตกลงใครกันแน่ที่เป็นดาวอปมงคลหืมเศร้าเหิงนี่ไม่ใช่ลูกอมแข็งรถเข้าโพด ท, ที่เจ้าชอบที่สุดห ร, อหรือไม่เหลือไว้สักเมทให้เสียวหวานไปหมดเลยนะเจ้าชุนฮาวายกี้มุมปากเดิมทีนานกังวลที่สุดว่าหลานชายคนโตจะไม่ยอมรับสองแม่ลูกชิงผิงแต่เมื่อดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกเด็กๆรุ่นยาวถือว่าดีมากทีเดียวข้าไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นเสียหน่อยเมื่อถูกเปิดปงกระถันเจ้างเศ้าเหิงก็รู้สึกขัดเขินจนใบหน้าแดงซ่าสายตาหลุกหลีกไปมา ที่ใหญ่ท่านไม่ชอบกินแล้วเมื่อครูท่านจะมาแลกกับข้าทําไมกันเจ้งเศร้าซิงพึพรรมพำบ่นประโยคหนึ่งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือการถูกเจ้างเศร้าเหินเขกหัวไปหนึ่งทีข้าเห็นว่าในกระเป๋าจะมีลูกอมมากเกินไปกินเยอะขนาดนั้นระวังจะปวดฟันแล้วท่านให้น้องเสียหวานไปหมดเลยนางจะไม่ปวดฟันหรือนางไม่ได้โง่เหมือนเจ้าตราบใดที่ไม่ได้กินรวดเดียวหมดก็ไม่มีปัญหาหรอกเจ้งเศร้าเหินกล่าวอย่างรําคาญพูดมากเสียจริง ลิวันมองดูในกระเป๋าเสื้อทั้งสองข้างที่ถูกยัดจนพองโตพลางคิดในใจว่านี่นางกำลังถูกคนอื่นโอบเหมือนเด็กๆอย่างนั้นหรือเจ้าชุนฮาวาไม่ได้สารต่อหัวข้อสนทนาระหว่างเด็กๆเมื่อเห็นเจ้งางวินชงกลับมาจึงรีบสั่งให้เขาไปกวาดมีมะในลานบ้านออกให้หมดตรงไหนที่ลื่นก็เอาดินไปโรยทับไว้ด้วยได้ครับทราบแล้วเจ้างวินชงถือไม้กวาดใหญ่เดินออกไปกวาดลานบ้านพวกเจ้างเศร้าเหิงทั้งสาคนก็ไม่ได้อยู่เฉยช่วยกันเข็นรถเข็นเล็กคนหิมะออกไปกองไว้ข้างปลอกชั่วคราวขอเพียงไม่ขวางทางเดินก็พอ ช่วงวันตรุษ จ, จีนไม่กี่วันนี้เป็นช่วงเวลาที่หลีวันรู้สึกผ่อนคลายและเป็นอิสระที่สุดตั้งแต่นางเลือกอาชีพหมอในชาติก่อนไม่ว่าเทศกาลไหนนางก็ไม่เคยได้อยู่บ้านเลยการจะได้รวมญาติกับครอบครัวยิ่งเป็นเรื่องที่มีอาจฝันถึงวันชิวลักษวันที่6ของเดือนแรกท่านาของเจ้างเศร้าซิงและเจ้างเศร้ายางมาหาบอกว่าจะพาทั้งสองคนกลับไปอยู่เป็นเพื่อนท่านตาและท่านยายรอยยิ้มบนมุมปากของเจ้าชุนฮวาชะ ง, งักไปครู่หนึ่งการที่พวกเขาจะมารับเด็กๆไปนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าปีนี้ให้เศร้าเหิงตามพวกเจ้าไปด้วยเถิด เด็กคนนี้ก็ไม่ได้พบท่านตาและท่านยายมาหลายปีแล้วท่านป้าท่านก็น่าจะทราบดีค่าพาสองคนนี้ไปเพราะท่านผู้เท่าทั้งสองคิดถึงพวกเขาหาักเศร้าเหึงตามไปด้วยในช่วงปีใหม่เช่นนี้ท่านผู้เท่าทั้งสองคงไม่สบายใจนักท่านว่าจริงไหมชายผู้นั้นกล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่มีการปิดบังแม้แต่น้อยเขายอมรับเพียงหลานชายสองคนนี้เท่านั้นแต่ไม่ยอมรับเจ้งเศร้าหึงเพียงคนเดียวแววตาของหลีวันหม่นแสงลงนั่งแอบลอบสังเกตเขาชายคนนี้ดูไม่เหมือนคนไร้เหตุผลเลย นางเคยได้ยินท่านย่าพูดถึงป้าสะพยที่ล่วงลับไปแล้วนางเป็นผู้มีความรู้เป็นนักศึกษาโหกทิทั้งยิงกิ่งทองใบห ย, ยกกับลุงใหญ่เพราะเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่ยะงไวครอบครัวทั้งสองฝ่ายต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันจึงจัดงานแต่งงานให้ตามระเบียบหลังจากเกิดอุบัติเหตุพ่อแม่ของป้าสะพยก็ไม่เคยมาเยี่ยมเ ย, ยนหลาหลานเลยเป็นเวลานานสาเหตุหลักคือเด็กๆหน้าตาเหมือนลูกสาวที่จากไปของพวกเขามากเกินไปจนเกรงว่าจะไปสกิดแผลใจที่ไม่ดีขึ้นมา เพื่อนจะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองที่พวกเขาเริ่มยอมรับเด็กๆอย่างช้าๆแต่ก็มีเพียงเศร้าซิงและเศร้าหยางเท่านั้นที่ได้ไปเจิ้งเศร้าเหิงไม่เคยได้ไปเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปเองแต่เป็นเพราะอีกฝ่ายไม่เต็มใจจะเห็นหน้าเขาเลยต่างหากส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไรนั้นหลีหว่านยังไม่อาจทราบได้ในตอนนี้ทําไมเจ้าถึงชอบแอบฟังความลับของผู้อื่นนะักทันใดนั้นเสียงที่ราบเรียบอย่างยิ่งก็ดังขึ้นทําเอาหลีหว่านสะดุ้งหยง เจ้งเศราเหิงเ็นชัดเจนว่าเด็กสาวไหลสันเพราะคำพูดของเขาเมื่อนางหันหน้ากลับมาก็ดูเหมือนกระต่ายน้อย2ตัวที่เจ้งเศร้าอย่างเลี้ยงไว้ไม่มีผิดช่างหน้าเองดูนักข้าไม่ได้แอบฟังข้าแค่บังเอิญเอาเถิดความจริงคือนางกำลังแอบฟังอยู่หลีหวานไม่ได้อธิบายต่อเมื่อนึกถึงคำพูดข้างในที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเจ้งเศร้าเหิงนางก็ขมวดคิ้วอาปากเตรียมจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงจากข้าในก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง ตอนแรกพ่อแม่ข้าก็ไม่เห็นด้วยที่พวกเขาจะรับเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นพวกท่านเองที่ดึงดันจะตกลงผลสุดท้ายกลับทําให้พี่สาวข้าต้องประสบเคราะห์ร้ายท่านไม่คิดบ้างหรือว่านี่คือดาวอัปมงคลตอนนี้มันยุคสมัยไหนแล้วเจ้าเองก็เป็นผู้มีความรู้ที่เรียนจบมาสูงคําว่าดาวอปมงคล น, นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันเจ้าชุนฮวาไม่พอใจที่ได้ยินชายผู้นั้นพูดเช่นนั้นนางกล่าวออกมาโดยไม่เกรงใจแม้แต่น้อยที่ผู้ใหญ่จะมาถือสาเด็กข้าพูดไม่ผิด เอาเถิดนี่เมื่อเจ้ามารับเด็กๆ ก, ก็รีพากันกลับไปเสียหิมะตกถนนลื่นหา ก, กลับดึกจะไม่อันตรายเจ้าชุนฮาวาไม่อยากสนทนากับเขาต่อจึงโบกมือไล่คำพูดนี้เจ้าพูดต่อหน้าข้าก็พอแล้วอย่าไปพูดต่อหน้าเด็กๆ เ, เลยตอนนี้พี่น้องทั้งสามคนรักใคร่กันดีมากใครก็ห้ามมาทําลายความสัมพันธ์ของพวกเขาท่านป้าค้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมท่านถึงยังเก็บตัวหายนะเช่นนี้ไว้ในบ้านหรือท่านอยากให้เขาทําร้ายเศร้าอย่างกับเศร้าสิงอีกคน เรื่องในบ้านของข้าไม่จําเป็นต้องให้เจ้ามาชี้นิ้วสั่งข้าเห็นแก่หน้าพี่สาวเจ้าหลอกนะถึงไม่ถือสารีไปเสียชายผู้นั้นไม่ได้พูดอะไรต่อเขารีบพาเด็กๆ ก, กลับไปจริงๆเพราะที่บ้านต่างก็รออยู่ลิวันเห็นเขาเดินออกมาจึงรีบดึงเจิ้งเศร้าเหิงกลับเข้าห้องเพื่อซ่อนตัวตลอดเวลาเจิ้งเศร้าเหิรดูเหมือนจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากนักราวกับว่านีไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้ยินคําพูดเหล่านี้ลิวันฟังเสียงความเคลื่อนไหวข้างนอกจนแน่ใจว่างเงียบสงบแล้ว นางจึงหันไปมองเจิงเศร้าเหิงอีกครั้งท่านอย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะลีหวันเป็นคนปลอบคนไม่เก่งที่สุดดูเหมือนนางจะได้ยินในสิ่งที่ไม่ควรได้ยินเสียแล้วเจิงเศร้าเหิงถูกรับมาเลี้ยงอย่างนั้นหรือมีหน้าเล่าถึงได้หน้าตาไม่เหมือนกับสองพี่น้องเจิงเศร้าหยางและเจิงเศร้าซิงเลยไม่ต้องหลบหลอกเจิงเศร้าเหิงกล่าวเสียงเรียบเขาตั้งใจพูดให้ข้าได้ยินอยู่แล้วเพราะกลัวว่าข้าจะไม่ได้ยินน่ะสิหลีหวานได้ยินคําว่าดาวอปามงคลมามากกว่าหนึ่งครั้งครั้งแรกคือตอนที่พวกเขาว่าเจิงเศง แต่ตอนนี้คําว่าดาวอปมงคลกลับมาตกอยู่ที่หัวของเจ้างเศร้าเหิงแทนการตายของลุงใหญ่และป้าสะใภมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงได้มาเกี่ยวพันกับเด็กๆได้หลหวานลังเลอยู่ครู่หนึ่งถ้านยังถือว่าดีนะตอนที่แม่ข่า ย, ยังไม่หย่ า, ยาแท้ๆกับไอหญิงแท้ๆของข้าเคยชี้หน้าด่าข้าว่าเป็นตัวภาระเป็นตัวล้างผานพวกเขาอยากด่า ก, ก็ด่าไปข้าก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียก็สิ้นเรื่องไม่จําเป็นต้องไปโกรธคนพวกนั้นหรอกเพราะต่อให้โกรธไปพวกเขาจะเลิกใดอย่างนั้นหรือนี่เจ้ากําลังอบอกข้าอยู่หรือ สีหน้าของเจิ้งเซ้าเหิงดูดีขึ้นจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่เขาถูกใครบางคนปลอบโยนข้าแค่กำลังเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ท่านฟังนะหรือหวานแหวนทำเป็นยักไหลอย่างไม่ใส่ใจเกิดมาเป็นคนแค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องอื่นหรอกอืมเจ้าพูดได้ถูกต้องเจิ้งเซ้าเหิงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดเขามองดูเด็กสาวที่ตัวเตี้ย ก, กว่าเขาหนึ่งช่วงศีสันในใจพลันเกิดความรู้สึกประหลาดบางอย่างขึ้นมา ตลอดช่วงปิดเทมอมฤดูหนาวเจ้งเศร้าเหฮงใช้เวลาไปกับการทบทวนบทเรียนและทำโจทย์เมื่อเจอข้อที่ไม่เข้าใจเขาก็จะถามหลี่หวานซึ่งทุกครั้งนางจะอธิบายได้ดีกว่าที่อาจารย์สอนเสียอีกเจ้างเศร้าเหฮงอดไม่ได้ที่จะคิดขึ้นมาว่าข้าว่าเจ้าไม่เหมาะจะเป็นหมอหรอกเจ้าเหมาะจะเป็นอาจารย์มากกว่านักเรียนที่เจ้าสอนออกมาต้องเก่งกาจทุกคนแน่ แต่ว่านักเรียนที่ข้าสอนก็คงไม่ได้ฉลาดหลักแหลมสอนครั้งเดียวก็เข้าใจเหมือนท่านไปเสียทุกคนหรอกหากต้องมานั่งอธิบายโจทย์ข้อเดิมซ้ำไปซ้ำมาแล้วยังไม่เข้าใจข้าคงได้เป็นบ้าตายแน่ๆนลิวานในวัยเยาว์มักจะพูดจาเหมือนผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมามากเสมอซึ่งเจ้างเศรื่อรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีหรือว่าพวกคนที่เรียนเก่งเก่งมักจะมีอายุทางจิตใจมากกว่าอายุจริงกันนะ